ใช่ได้นะมียังไม่รู้เรื่องอยู่สองสามคนที่ไม่รู้เรื่องติดเครื่องมีบ้างนิดหน่อยการภาวนาจริงๆไม่ได้ยากอะไรเลยเราอย่าไปวาดภาพการปฏิบัติธรรมนะคือการที่ต้องทำอะไรเกินธรรมดาการปฏิบัตินะจิตใจของเราเป็นยังไง ร, รู้สึกไปตามรู้ตามที่เขาเป็นอย่าไปดัดแปลงมัน จิตใจของมนุษย์ธรรมดาเนี่ยเป็นจิตใจที่เหมาะที่สุดกับการทำมิปัสสนานี่จิตใจเหมือนเด็กๆนะมันเคลื่อนไหวมันเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติธรรมดาแต่จิตใจของผู้ปฏิบัตินั้นมันต่างกับจิตใจของคนธรรมดาหรือจิตใจของเด็กนิดเดียวเท่านั้นคือมีสติตามรู้จิตใจของคนธรรมดาที่เขาภาวนาไม่เป็น มันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปตามการกระทบกระทบอย่างนี้เป็นสุขกระทบนี้เป็นทุกข์กระทบอย่างนี้เกิดกุศลกระทบอยางนี้เกิดอกุศลเราก็ปล่อยให้จิตมันกระทบไปงั้นพอกระทบแล้วก็ให้เกิดปฏิกิริยาไปตามธรรมชาติความต่างมีนิดเดียวกับคนที่ไม่ปฏิบัติคือมีสติรู้หลวงพ่อพุธเคยสอนหลวงพ่อน ะ, ะการภาวนายืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดเนี่ย ให้มีสติตามรู้ไปคนที่เขาไม่ภาวนาเขาก็ยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดเหมือนกันความต่างก็คือเขาไม่มีสติแต่เรามีสติเมื่อเรามีสติเมื่อวานก็บอกแล้วนะเมื่อมีสติมันก็มีศีลมีสติก็มีสมาธิมีสติก็เป็นต้นทางให้มีปัญญาขึ้นมายังความต่างก็แค่มีสติขึ้นมาทำไงเราจะพัฒนาสติให้เกิดขึ้นได้ สติเป็นอนัตตาสั่งให้เกิดไม่ได้ไม่มีใครหรอกสั่งสติให้เกิดถ้าสั่งได้นะสั่งให้เก่งแบบนั้นอีกนะสั่งให้สติเกิดทั้งวันเกิดทั้งคืนสั่งให้เกิดปัญญาสั่งให้จิตบรรลุมรรคผลนิพพานสั่งมันสติเดียวเลยว่าจงเป็นพระละหันสั่งแล้วช่วยกันสั่งเร็วเอาจิตเอ้ยจงเป็นพระละหันมันไม่เป็นหรอกมันสั่งไม่ได้ แต่จิตเป็นธรรมชาติที่ฝึกได้มันเคยชินจะชั่วมันจะชั่วมันเคยชินจะดีมันก็จะดีง่ายเคยชินชั่วก็ชั่วง่ายงั้นจิตมีธรรมชาติเคยชินอาศัยธรรมชาติเคยชินของมันนี่แหละค่อยๆมาฝึกให้มีสติเกิดขึ้นเราต้องรู้ก่อนว่าอะไรเป็นเหตุให้เกิดสติอยู่ๆสติไม่เกิดออกบางคนไปนั่งพุโทโธพุโทโธนะ หายใจเข้าหายใจออกหวังว่าจะมีสติพุโทโธแบบนกแก้วนกขนทองไม่มีสตินกบางตัวก็พูดได้เราไปสอนให้มันพุโทโธพุโทโธถามมันจะเกิดสติไหมไม่เกิดออกงั้นมันไม่ได้อยู่ที่ว่าบริกรรมคำไหนแล้วจะเกิดสติไม่ใช่เอาจิตไปไว้ที่ไหนจะเกิดสติสติมันเกิดจากจิตจำสภาวะได้แม่นไม่ได้เกิดจากสิ่งอื่น ถ้าจิตมันจำได้นะจิตมันจำสภาวะของความโกรศได้เพราะความโกรศเกิดขึ้นสติ esh of muitos guardians จะเจิดเองจะรรรึกรู้ว่าออ้หยความโกรศเกิดขึ้นแล้วมีคำ ว, ว่าแล้วนะคนในขี้โรบตามดูจิตโรบบ่ syllable พอโรบเพ notebooks แล้วก็หารลู Courtney หารรู ist ึก ا ่หนรสกอ่อน・・เข plant coached yourself โรภเป็นอย่างนี้นะ ö รบอางโรยมน renovation เพราะความโลบเกิด frosting จะระรึกขึ้นได้ SAimate นี่ Database ทำหน้าที่ระรึกระรึกได้ว่าโอ้ความโลบเกิดขึ้นแล้วมีคำวะแล้วอีกแล้วนะอย่างเราหัด كwaukee รู้สึกตัวใจแอ็บไปคิดค oy รู้ใจแอ็บไปคิดค oy รู้ใจลอยไปใจนี้ไปคิดเรารู้บ่อยๆเธอไปจิตจามสภาว้าที่จิ่นนี้ไปคิดได้ท terior จิ่นนี้ไปคิด сн bites จะเ� อ้อแอบไปคิดแลวะมีคำมาแล้วอีก น, น, นั่นสติเนี่ยเกิดจากการที่จิตจำสภาวะได้แม่นจิตจะจำสภาวะได้แม่นถ้าสนใจที่จะตามรู้บ่อยๆการตามรู้จิตใจตัวเองบ่อยๆนี่แหละเรียกว่าจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานวงเล็บเบื้องต้นเพราะสติปัฏฐานนั้นมีสองขั้นตอนขั้นตอนแรกทำไปเพื่อให้เกิดสติ ขั้นตอนที่สองทำไปเพื่อให้เกิดปัญญาเพราะฉะนั้นเราหัดรู้สภาวะไปเรื่อยนะจิตจำสภาวะได้แม่นอะไรเกิดขึ้นในจิตใจเรารู้ทันรู้ทันนะจิตจำสภาวะทางจิตใจแม่นพอสภาวะเกิดสติเกิดเองต้องอาศัยดูจิตทุกคนไหมไม่จำเป็นบางคนดูกายหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกนะเห็นร่างกายที่หายใจออกเห็นร่างกายที่หายใจเข้า คอยะระลึกถึงเรื่อยๆกลับมาพอขาดสตินะเกิดหายใจขึ้นมาสมมติว่าพอขาดสติแล้วโมโหขึ้นมานะจังหวะการหายใจจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนจังหวะการหายใจนิดเดียวเท่านั้นสติะระลึกได้ถึงลมหายใจเนี่ยสติจ ะ, ะระลึกได้แล้วอ๋อตอนนี้ร่างกายหายใจเข้าแล้วอย่างแรงๆหายใจออกอย่างแรงๆเวลามีกิเลสนะลมหายใจจะแรงขึ้น เวลากิษย์ลลมหายใจจะประนิศ Their Ariadology แต่ถ้าจิทย์สงบนะลมหายใจจะหายไปรุกสิทย์หลงพ่องที่พรวนาจนลมหายใจหายรู้สึกมีคนเดียวนะมีคุณดำเกิงนอกนั้นไม่หายหรอกสติหายลมหายใจไม่หายนะสติหายไม่ก่อนคุณดำเกิงได้เคือเรียนอยู่กับเจ้าคุณ casual ชอบถามฎรรมระทานท่า น, นเช้าคุณ casual Vocês turned on paths, do you do l thesis creo nicht? Secca af spoken of ache,� le car by the watermelon is used for the 根 от Mine declare, ich will give you a listen to you next time Therefore, we should read around his eyes Because of his values, we will learn them Why do the 結果 to esteem the Romeo? To not use memorized. There must be drawers in the realm where it служile think. C Mary said that's fine. کیő stitchmarked me the right word หายใจไปรู้สึกไปหายใจไปรู้สึกไปนี่แกหายใจไปเรื่อยๆจีแกรวมนะสว่างขึ้มารวมแค่เพราะว่าลมหายใจหายไปไม่หายใจนะแกหายใจทางผิวหนังแกรู้สึกอย่างนี้รู้สึกลมผ่านที่ผิวหนังแทนที่จมูกเพราะจริงๆเราใช้น้อยใช้ออกซิเจนน้อยนะใช้แลกเปลี่ยนทางผิวหนังเนี่ยพอเลยพอใช้ได้เลย ไปถามท่านเจ้าคุณนอว่าเอ๊ะผมหายใจแล้วมันไปหายใจทางผิวหนังมันจริงไหมจริงเป็นไปได้เหรอหายใจทางผิวหนังท่านบอกที่เยอรมันนะเขาทดสอบให้คนนั่งสมาธิแล้วเขาเอาปูนพลาสเตอร์ทาให้เปียกๆน้ำนะทาทั่วตัวเลยอุดรูผิวหนังนะอไอ้หนูทดลองตัวนี้คนที่นั่งสมาธิคนนี้ตายมันหายใจไม่ได้ ชั้นเล่าให้ฟังนี่พวกเราไม่ถึงขนาดนั้นแล้วนะพวกเราสตีหายก่อนลมลมจังอยูน่นี่เวลาหายใจนะหายใจแล้ shuttle, خ อยรู้สึก chinese เห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าดูไ ก, ก้ก็ได้—ขอร่างกายหายใจออก FUCK respeak. หายใจออกคอยรู้สึกร่างกายหายใจเข้า ק Qui Ridée Yoga คอยรู้สึก meal หายใจสบายสบายลมมันสบายสบายบางทกพล แล้วพอจิตใจเกิดกิเลสนะลมหายใจมันเปลี่ยนพวกเราสังเกตไหมเวลาราคะเกิดเราก็หายใจแรงขึ้นเห็นไหมเวลาโทสะเกิดเราก็หายใจแรงขึ้นงั้นเวลากิเลสหยาบหยาบเกิดนะลมหายใจมันเปลี่ยนจังหวะของมันสติจ ะ, ะระลึกได้ว่าโอ้ลมหายใจนะเห็นร่างกายหายใจขึ้นมาอีกแล้วรู้ทันเลยจิตมันเปลี่ยนแปลง น, น, นี่ฝึกให้ได้เรื่องนะฝึกให้มันมีสติมีปัญญารู้สภาวะของรูปของนามขึ้นมาให้ได้ จะดูกายก็ได้นะดูเวทนาก็ได้ดูจิตก็ได้แต่เบื้องต้นเอาอันเดียวการฝึกสติปัฏฐานเพื่อให้เกิดสติเนี่ยเบื้องต้นเอาอันเดียวพออย่าเอาหลายอันจับจดไม่ได้นะจะรู้กายบ้างรู้เวทนาบ้างรู้จิตบ้างเนี้ยรู้มากไปจิตจำสภาวะไม่แม่นสติไม่เกิดงั้นรู้อันเดียวพอหายใจไปรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกหายใจออกรู้สึกอะไรเนี้ย หรือยอืนรู้สึกเดนินรู้สึกนั่งรู้สึกนอนรู้สึกเ น, น, น, นี่ยอิธิยาบทนะดูเวทนาก็มีความสุขก็รู้สึกมีความทุกข์ก็รู้สึกเฉยๆก็รู้สึกเวทนาในกายเกิดก็รู้สึกนะเวทนาในใจเกิดก็รู้สึกเนี่ยเวทนาทางใจบางอย่างก็ต้องมีสิ่งมาเร้ามีสิ่งมายุ่วเวทนาบางอย่างไม่ต้องมีสิ่งมายุ่ว เราก็คอยรู้สึกไปจิตยจำเวทนาได้แม่นนะหลากหลายเพราะเวทนาอะไรเกิดต่อไปสติเกิดเองเวทนาที่ดูง่ายต้องเวทนาหยับหยับก่อนอย่างกายดูง่ายก็ต้องกายหยับหยับเนี่ยเช่นเปลี่ยนจังหวะหายใจมันแรงขึ้นมายหยับหยับดูง่ายอาศัยรู้ธรรมดานี่แหละพอมันเปลี่ยนจังหวะขึ้น ม, มันรู้รู้ได้ง่ายรู้ได้ชัดขึ้นมาดูเวทนาเหมือนกันนะนั่งรู้นั่งดูไปเรื่อย ก็ดูใจ the most moment of muddy d Jin That after height percent Tim,ucklehead,waiting this illusion บางคนกห arians 覆 ам ดูจิตดูใจดูจิตดูใจก็คอยสังเกตไปคนไหนใจัดร้อยคนไหนฟุ้งส่านเก่งนะดูจิตฟุ้งส่านถึงจิตด λοistance, ตรงนี้รู้ว่าฟุ้งส่านสบวก comma cm Essentially,it is confused to your mind แล้วกรว่าฟุ้งสร่านๆ assemble through the world คนไหนคี่มาโหยก็ดูจิตมาโหย นี่จิตตรงนี้โกรธอาจิตตรงนี้รู้ว่าโกรธจิตที่รู้ว่าโกรธไม่โกรธหรอกนะก็เลยมีจิตโกรธกับจิตไม่โกรธจิตโกรธกับจิตไม่โกรธเกิดได้ทั้งวันคนไหนขี้โลภนะโลภเห็นอะไรก็อยากไปหมดเลยอยากได้อยากดูอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้พวกอยากมากดูความอยากดูจิตอยากเดี๋ยวจิตก็อยากดูเดี๋ยวจิตก็อยากฟังเดี๋ยวจิตก็อยากคิดเดี๋ยวจิตก็อยาก ได้น้วนได้นี่อยากเป็นพระอาหารัฐน์อยากได้โซหดาความอยากเกิดขึ้นราคานั่นเองนะเดียวก็อยากได้ส자연 berm Francis ความอยากได้ในเกิดขึ้น be inevitable หวัง establishing Champion of Mm ได้ในผนะปัญหาจิเรตใดๆเกิดขึ้ น, นะราคาเกิดขึ้นรู้ฒัน nichts จิตที่มีราคาก็จะดับเองเกิดจิตที่ไม่มีราคาล์ร króltsch โวรธฮะทีก่แวหนงจตที่รู้ว จิตที、no、่รู اد, you know, kind of ้ว่ามีโทสะจะไม่มีโทสะจิตที่รู้ว่าหลงจะไม่หลงจะเกิดความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงนี่แทรกขึ้นมาสั้นๆเดี๋ยวก็โลภใหม่โกรธใหม่หลงใหม่ตามรู้เรื่อยๆไปนี่สติจะเกิดระลึกรู้ทันจิตใจได้เรื่อยๆคนในรู้กายก็สติระลึกรู้ทันนะทั้งกายทั้งจิตนั่นแหละรู้เวทนาก็รู้ทันทั้งกายทั้งจิตนะหัดสติรู้ทันนะต่อไปก็รู้ทันทั้งกายทั้งจิต เรียกว่าเราฝึกจนเราได้สตินะหัดตามรู้สภาวะอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราชำนาญหรือที่เกิดบ่อยๆคนไหนถนัดรู้ลมหายใจก็รู้ไปถนัดรู้ท้องพองยุบก็รู้ไปใช้ได้เหมือนกันหมดอะดูท้องพองยุบก็เห็นร่างกายมันพองเห็นร่างกายมันยุบใจเราเป็นคนดูดูอย่างนี้เรื่อยๆนะต่อไปพอเผลอตัวไปแล้วกิเลสเกิดเนี่ยท้องพองท้องยุบจะเปลี่ยนจังหวะของมันละ แล้วก็จะรู้สึกตัวขึ้นมาได้นี่ได้สติแล้วได้รู้สึกตัวขึ้นมาเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะรู้กายรู้เวทนารู้จิตนะฝึกไปเรื่อยตามรู้ตามดูเรื่อยจิตจำสภาวะได้แม่นเมื่อไหร่เนี่ยพอสภาวะที่จิตจำได้เกิดขึ้นสติจะระลึกได้เองจะเกิดรู้รู้ตัวขึ้นมารู้ทันขึ้นมาว่ามีอะไรแปลกปลอมเข้ามาแล้วพอรู้ทันขึ้นมาแล้วเนี่ยจบบทเรียนของสติปัฏฐานขั้นที่หนึ่ง สติปัฏฐานขั้นที่หนึ่งตามรู้กายตามรู้เวทนาตามรู้จิตตามรู้ธรรมทำรู้ยากนะเอาไว้ก่อนฟังเข้าใจยากนะเอาตามรู้กายตามรู้เวทนาตามรู้จิตไปจิตจำสภาวะของรูปธรรมนำมาทำแม่นนะไปสภาวะเกิดแล้วสติเกิดเองประลึกขึ้นได้สังเกตให้ดีหลวงพ่อใช้คำว่าตามรู้กายตามรู้เวทนาตามรู้จิต หายใจแล้วก็รู้หายใจแล้วก็รู้ไม่จ้องไว้ก่อนนะร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายเปลี่ยนแปลงก็ค่อยรู้สึกเวทนาเกิดมาเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงขึค้นมาคอยรู้สึกจิตทำงานไปเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงก็คอยรู้สึกเป็นการตามรู้ทั้งหมดเลยท่านถึงใช้คำว่ากายานุปัสนากายานุปัสนามาจากคำสามคำคือคำว่ากายคำว่าอนุคำว่าปัสนาแยกออกไปได้อีกนะปัสชนะก็ยังแยกออกไปได้อีกเอาแค่นี้พอ ปรัชนาแปลว่าการเห็นอนุแปลว่าตามอนุไม่ได้แปลว่าเล็กนะอนุแปลได้หลายอย่างแปลว่าตามก็ได้อย่างอนุภรยาภรยาที่มาทีหลังตามมาทีหลังไม่ใช่ภรยาตัวเล็กนะแต่อนุภรยามักจะตัวเล็กกว่าอัคราภรยา <c oughs> ดูในการ์ตูนจะเห็นมีหลวงต้องตัวให ญ, ใหญ่อาวุธประจำตัวคือสากกระเบือ ถ้าใครเคยอ่านการ์ตูนถ้าเมียน้อยก็ต้องโสดโ อ, องเลยแต่อนุภรยาไม่ใช่แปลว่าภรยาตัวน้อยๆ อ, อนุภรยาคือภรยาที่มาทีหลังคำว่าน้องชายภาษาบาลีว่าอนุชาคำว่าชาคือความเกิดอนุชาคือผู้เกิดทีหลังนั้นอ น, อนุปัสนาแปลว่าการตามเห็นปัสนาคือการเห็นอนุปัสนากา็าคือตามเห็น ตามเห็นอะไรตามเห็นกายเนืองเนืองเรียกกายานุปษณัสสนาตามเห็นเมตนาเนืองเนืองเรียกเวทนานุปัสสนาตามเห็นจิตเนืองเนืองเรียกจิตตานุปัสสนางั้นเบื้องต้นเป็นการตามเห็นเหมือนกันหมดเลยตามรู้ไปเรื่อยนะอะไรเกิดขึ้นในกายคอยรู้อะไรเกิดขึ้นในใจคอยรู้รู้เรื่อยๆไปในสุดสติจะเกิดนะไม่ได้จงใจจะระลึกมันระลึกขึ้นได้เองว่าอ้าวโกรธไปแล้วอ้าวโลภไปแล้วอ้าวหายใจออกไปแล้วอ้าวเดินอยู่นะรู้สึกขึ้นมาอย่างนี้ เรากำลังเดินมันก็เดินไปก่อนนะแล้วถ้ารู้สึกถัดจากนั้นเราจะทำวิปัสสนาการทำวิปัสสนาเนี่ยเวลารู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้อย่างเดียวกันแหละรู้กายรู้รู้สิ่งเดียวกันรู้กายรู้เวทนารู้จิตเหมือนกันแต่ตอนที่ฝึกให้เกิดสติแต่ตอนให้เกิดปัญญาเนี่ยต้องมีเครื่องมืออีกตัวหนึ่งคือมีจิตที่เป็นผู้ตั้งมั่น มีจิตตั้งมั่นสติระลึกโดยไม่จงใจระลึกจิตตั้งมั่นโดยไม่จงใจให้ตั้งมั่นตัวนี้ต้องฝึกนะฝึกให้ได้จิตที่ตั้งมั่นเนี่ยบทเรียนที่ฝึกให้จิตตั้งมั่นเรียกว่าจิตศิษฐ์ขาพวกเราล้าเลยมากเลยนะดูถูกจิตศิษฐ์ขาบางคนนะมีวาทะเรียกว่าวาทะแบบมิจฉาทิฏฐิบอกผมจะไม่เรียนเรื่องจิตผมจะเรียนแต่เรื่องกายลืมไปว่าบทเรียนที่สองในทางพระพุทธศาสนานะชื่อจิตศิษฐ์ขานะ บทเรียนเรื่องกายสิกขาไม่เคยมีเลยนะบทเรียนที่หนึ่งชื่อสีระสิกขาบทเรียนที่สองชื่อจิตสิกขาบทเรียนที่สามคือปัญญาสิกขาเร <นะ S 2> ียนจิตสิกขาเนี่ยเราจะได้จิตซึ่งเหมาะกับการทำวิปัสสนาขึ้นมาเราจะรู้จักสภาวะของจิตว่าจิตชนิดไหนควรกับการทำวิปัสสนาจิตชนิดไหนควรทำสมถะจิตชนิดไหนไม่คู่ควรกับสมถะและวิปัสสนาจิตที่ไม่มีสติ ไม่คู่ควรกับสมถะและวิปัสสนานจิตที่มีสติแล้วก็มีสมาธิไปจอนิ่งๆอยู่กับอารมณ์ที่สติไประลึกอันนี้เป็นจิตที่เหมาะกับการทำสมถะถ้าจิตมีสตินะแต่ว่าจิตตั้งมั่นศึกว่ารู้ว่าเห็นสภาวะอันะลนั้นถึงเป็นจิตที่เหมาะกับการทำวิปัสสนาครูบาอาจารย์แต่ก่อนเวลาสอนท่านจะสอนบอกว่าให้มีจิตเนี่ยนะเหมือนคนดูละคร คนดูละครต้องดูอยู่ห่างๆนึกออกไหมไม่ไปดูอยู่บนเวทีหรอกดูกับห่างๆถ้าพูดสมัยนี้ต้องเหมือนคนดูฟุตบอลนะหรือคนดูคอนเสิร์ตฟุตบอลดีกว่าคอนเสิร์ตนะคอนเสิร์ตเดี๋ยวนี้มันกระโดดเข้าไปเต้นอยู่กับนักร้องด้วยก็มีแต่เหมือนคนดูฟุตบอลนะถ้าเราทะเลาะทะเลาะลงไปในสนามฟุตบอลคงถูกเขาไล่เตะออกมาเราดูอยู่ห่างๆเราเห็นนักฟุตบอลวิ่งเนื้อใจเรียกว่าใจที่ตั้งมั่นใจไม่ถล่มลงไป พวกเราที่พลาดนะก็อยู่พลาดกันตรงที่ใจถลำนี่แหละเวลาดูท้องฟังยบนะใจถลำไปอยู่ที่ท้องเป็นสมะนะถะพระใจไปแช่อยู่กับอารมณ์เดินจงกรมยกเท้าย่างเท้าใจไหลไปอยู่ที่เท้าพุโทโธนะใจไหลไปอยู่ในความคิดรู้ลมหายใจใจไหลไปอยู่ที่ลมขยับมือใจไหลไปอยู่ที่มือนี่สมถะทั้งหมดเลยดัง น, นั้นถ้าเราต้องค่อยๆเรียนจนกระทั่งใจของเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน คนไหนทำฌานได้ทำฌานนะยุคนี้ทำฌานยากเราก็ใช้สตินี่แหละคอยรู้ทันจิตที่ไหลไปจิตที่ไม่ตั้งมั่นพอ เ, เห็นจิตไหลไปนะตรงรู้ว่าจิตไหลนี่จิตไม่ไหลหรอกจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาแต่แวบเดียวสั้น ๆ, ๆงั้นให้เรารู้จิตที่หลงไปบ่อยๆหลงไปทางตาเราก็รู้ทันหลงไปทางหูหลงไปทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจรู้บ่อยๆพอรู้บ่อยๆนะทุกครั้งที่รู้เนี่ยมันจะตั้งมั่นขึ้นมาแวบหนึ่ง สั้นๆเป็นคณิกาสมาธิไม่ใช่สมาธิแบบอัปนารูปัจจาร ะ, ะคณิกาสมาธิเนี่ยเพียงพอที่จะเดินวิปัสสนาให้เป็นพระอราหันต์ได้ถ้าเราใครรู้สึกนะจิตไหลไปแล้วรู้ไหลไแล้วรู้นี่สุดจะเกิดจิตรู้ที่ตั้งมั่นขึ้นมาเพราะเราฝึกได้สองตัวแล้วเรามีสติระลึกรู้สภาวะโดยไม่ได้จงใจระลึกมีจิตที่ตั้งมั่นโดยไม่ได้บังครับเอาไว้บางคนตั้งโดยบังครับไว้ใช้ไม่ได้ มันต้องตั้งขึ้นมาเองมันเด่นดวงขึ้นมาแวบหนึ่งนี่ถ้าเมื่อไรจิตตั้งมั่นนะแล้วสติหระลึกรู้กายปัญญาจะเกิดทันทีเนี่ยปัญญาเงื่อนไขให้เกิดปัญญานะก็ะคือมีสติรู้รูปรู้นามรู้กายรู้ใจเนี่ยด้วยจิตที่ตั้งมั่นถ้าขาดจิตที่ตั้งมั่นแล้วพลาดละคนที่เรียนอภิธรรมจะเคยได้ยินคำพูดชนิดนี้เสมอบอกให้เป็นคนดูละครนะ ให้มีจิตที่ตั้งมั่นแต่ว่าพวกที่เขาเรียนอย่างเดียวเนี่ยเขาไม่เคยเห็นสภาวะเขาไม่รู้ว่าจิตที่ตั้งมั่นเป็นยังไงนะส่วนมากจะเอาจิตไปแช่อยู่กับอารมณ์แล้วคิดว่าจิตตั้งมั่นเนี่ยพลาดตรงนี้เองคนที่เรียนปริยัติอ ย, อย่างเดียวนะไม่รู้ว่าจิตมันมีสองแบบนะจิตที่ตั้งมั่นในการรู้อารมณ์กับจิตที่ตั้งแช่อยู่กับอารมณ์จิตที่ตั้งแช่อยู่กับอารมณ์นะในปริยัติเรียกว่าอารามณูปนิชฌานเพ่งตัวอารมณ์ จิตที่ตั้งมั่นรู้อารมณ์นี้จะเรียกว่ารักขณูปนิชฌานจะเห็นลักษณะคือเห็นไตร ล, ลักษณ์ถ้าแยกตัวนี้ไม่ออกก็ทำมิปัสนาไม่เป็นเหมือนกันนะ่นะเรียนยังไงก็เรียนยังไงก็ไม่เข้าใจหรอกดังนั้นถ้าเราภาวนานะเรารู้สภาวะทั้งหลายด้วยจิตที่ตั้งมั่ น, นแต่ตั้งมั่นแล้วเนี่ยบางทีพอใจเราตั้งมั่นอยู่นะเห็นความโลภเกิดขึ้นความโลภจะดับทันที เห็นความโกรธเกิดขึ้นความโกรธจะดับทันทีเห็นความหลงเกิดขึ้นความหลงจะดับทันทีเห็นความทุกข์ทางกายเกิดขึ้นไม่จำเป็นต้องดับทันทีนะเห็นความทุกข์ทางใจเกิดขึ้นดับทันทีเพราะอะไรเพราะความทุกข์ทางใจเนี่ยเกิดร่วมกับโทสะเท่านั้นเกิดร่วมกับโทสะเท่านั้นถ้าเห็นความสุขทางใจเกิดขึ้นดับบ้างไม่ดับบ้างเพราะอะไร ความสุขทางใจเนี่ยเกิดร่วมกับราคะก็ได้เกิดร่วมกับโมหะก็ได้ถ้าเป็นความสุขที่เกิดร่วมกับราคะและโมหนะนั้นพอสติระลึกมีสติขึ้นมาราคะโมหะดับปับ๊บเลยความสุขเพราะราคะเพราะโมหะก็จะหายไปแต่ถ้าจิตเราเป็นบุญเป็นกุศลเราฟังเทศฟังธรรมอยู่นี่นะจิตเป็นกุศลขึ้นมาเนี่ยเวลาสติระลึกไม่จำเป็นต้องดับทันทีนะไม่จำเป็นเพราะจิตยังเป็นกุศลอยู่เนี่ยจิตมีความสุขได้ แต่จิตที่มีความสุขไม่จำเป็นต้องเป็นกุศลนะแต่จิตที่เป็นกุศลเนี่ยมีความสุขบ้างมีอุเบกขาบ้างเห็น ไ, ไหมมันประณีตนะในการเรียนเรื่องจิตเรื่องใจกว่าจะเข้าใจทุกแง่ทุกมุมนะเพราะใช้เวลาพอสมควรเบื้องต้นยังไม่ต้องเข้าใจเท่าที่หลวงพ่อบอกนี้หรอกเบื้องต้นเข้าใจแค่ว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับไปเอาแค่นี้พอละความโกรธเกิดขึ้นมาสติรู้ทันความโกรธหายไปความโลภความหลงเกิดมาแล้วมันก็หายไป ความสุขเกิดขึ้นมามันไม่หายทันทีก็ได้นะมันค่อยๆจางๆลงไปแต่ความจริงมันเกิดดับพร้อมกับจิตเป็นดวงๆแต่จิตดวงที่เกิดต่อจากดวงก่อนเนี้ยมันจับอารมณ์ต่อจากจิตดวงก่อนอยู่นั้นมันยังสุขอ้อยสร้อยอ้อยเอียงแต่ก็ค่อยๆลดระดับลงไปเรื่อยๆค่อยๆจางค่อยๆคลายเนี่ยตรงนี้เกิดจิตจำนวนมากนะแต่สืบเนื่องกันมีความสุขเหมือนกันแต่สุขเนี้ยค่อยลดๆลดลง จะเป็นอุเบกขาจิตมีอุเบกขาจำเป็นไหมรู้แล้วต้องหายทันทีบางทีก็หายบางทีก็ไม่หายจิตมีโมหะมีอุเบกขาได้นะถ้าจิตมีโมหะเรามีสติรู้เห็นเลยจิตเป็นอุเบกขาอยู่มีสติรู้นะโมหะดับนะอาจจะเกิดโสมนัตมีความสุขก็ได้อาจจะเกิดอุเบกขาอีกทีหนึ่งก็ได้แต่อุเบกขาที่เป็นกุศลอุเบกขาเนี่ยเป็นกุศลก็ได้อักกุศลก็ได้นะเกิดร่วมกับกุศลก็ได้อักกุศลก็ได้ ความสุขทางใจคือโสมนัสเนี่ยเกิดร่วมกับกุศลก็ได้อาคุสสนก็ได้แต่โทมานัสคือความทุกข์ทางใจเกิดร่วมกับอาคุสสนเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นภาวนาแล้วจิตใจเป็นทุกข์ขึ้นมาเนี่ยดูอยังไงก็ไม่หายทุกข์แสดงว่าทำผิดสติไม่เกิดหรอกถ้าสติเกิดจะต้องหายทันทีแต่ถ้านั่งนานๆแล้วปวดขามีสติรู้จะหายไหมปวดขาเป็นเวทนาทางกายไม่จำเป็นต้องหายหรอก เพราะงั้นพระอราหันต์ก็ปวดขาได้นะปวดขาได้ไม่สบายก็ปวดน้นปวดนี่เจ็บน้นเจ็บนี่ได้ไม่ใช่ว่ามีสติแล้วต้องหายแต่ถ้ามีปีติแล้วจะหายคนละตัวนะถ้ามีสติไม่หายหรอกถ้ามีปีติอาจจะหายอย่างเรานั่งสมาธิไปปวดขาปางตายแล้วจิตรวมเข้าไปมีปีติที่มาเบิกบาลเบานะแข้งขาที่ปวดนี่หายทันทีเลย เลือดลมนี้เดินสบาธしเหมือนเลือดวิ่งกะกติ ят Station เลย hi พูบเลยโล่งตลอดขาเลยนมีปีตติขึ้นมาへน่อนมีสตินะเวทโน ப หรอก obi ทุกข์ไม่หายหรอก xana państwo participated แต่ถ้ามีปีติหายเวลาพระอารหารัณท่านเจ็บวช่ทานปวย if assim for God ฟังสวนโปรทโ Obs ให้คนนอนคนนี้จำมาสวนโปรทโชงให้฿ั่งพระพุทธเจ้า เวลาอาพาธก็เคยเรียกพระมาสวดพุทธชงให้ฟังพระมหากรสปะก็เคยฟังสวดพุทธชงฟังแล้วเกิดปีติเกิดทำมาปีติขึ้นมาหายเจ็บหายป่วยได้คนที่ฟังซีดีหลวงพ่อนะเกิดทำมาปีติขึ้นมาหายเจ็บหายป่วยได้เหมือนกันนะมีคนมาเล่าเรืได่อยๆนะมีอยู่คนหนึ่งนะมีริมอะไรอยู่ในสมองเป็นจุดนะสามจุด เมื่อวานนี้เพิ่งมาเล่าเล่าให้แม่ชีฟังเรื่องอย่างนี้ไม่กล้าเล่าให้หลวงพ่อฟังเพราะไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติเพราะมีก้อนอยู่สามก้อนรักษาอยู่หลายปีนะไม่หายหรอกหมอเขาไม่รู้จะทำไงนะจะผ่าก็ เ, เรื่องใหญ่แกก็ปวดหัวมากเลยสุดท้ายแกได้ซีดีหลวงพ่อไปแกก็ฟังพอแกฟังแล้วแกหลับไปเลยธรรมดาถ้าไม่กินยาแล้วไม่หลับนะ นั้นฟังซีดีหลวงพ่อไหมแสดงว่าเสียงเรานุ่มนวลมากฟังแล้วชวนหลับอัศจรรย์นะฟังซีดีหลวงพ่อแล้วหลับเนี่ยแทบไม่มีเลยนะไม่มีแต่ฟังแล้วเข า, าตื่นไรายนี้แกหลับไปนะแกตื่นขึ้นมาแล้วหัวแกโล่งเลยนะไปหาหมอนะหมอเช็คเช็คน้ำหายไปไม่มีอะไรเดินหมออีกคนหนึ่งมาเช็คนะด่าพยาบาลเลยด่าลูกน้องนะว่าคุณรักษาเขาได้ไงรักษาผิดเลยเขาไม่ได้เป็นโรคนี้ ไม่ได้มีก้อนอะไรในสมองเลยไปให้ยาชนิดนี้ทำไมหายไปบางคนความจำเสื่อมนะความจำเสื่อมฟังซีดีเราไปเรื่อยเรื่อยก็รู้เรื่องขึ้นมาก็มีนะแต่ฟังไปเรื่อยเรื่อยในจิตมันมีปีติขึ้นมาพวกเป็นมาลงมาเลงทำท่าจะตายแล้วฟังฟังแล้วอยู่รอดมาหลายปีเลยก็มีนะแต่ไม่ใช่ทุกคนนะบางคนฟังแล้วก็เครียดเครียดนะแทนที่จะเกิดปีตินะฟังหลวงพ่อเทศเราเครียดมากกว่าเก่าอีกนะ ยิ่งฟังแล้วใครจับผิดเทศไงบ้างเทศอะไรบ้างไม่ถูกกันทำไมวัดโน้นว่าอย่างนี้วัด น, นี้ว่า ง, งนฟังแล้วเครียดน้ำมะเร็งกำเริบตายเร็วเลยแต่ถ้ามีปีตินะบางทีเจ็บป่วยบางอย่างหายได้ด้วยปีตินะแต่มีสติไม่หายนะปวดเรื่องกันนะสตินะมีหน้านที่รู้สภาวะอย่างที่มันเป็ น, นสภาวะอะไรเกิดขึ้นก็รู้ไป นี่อาศัยที่เรามีสตินี่แหละที่เกิดจากการรู้สภาวะบ่อยๆด้วยจิตที่ตั้งมั่นมีสัมมาสมาธิจิตตั้งมั่นเป็นคนดูไม่ถล่มไปเหมือนเราดูละครเรื่อยๆละครับถึงบทรักละครับถึงบทโกรธละครับถึงบทหลงอะไรเงี้ยละครับถึงบทอิจฉาละครับถึงบทกลัวดูละครละครับแสดงอยู่ในใจเรานี่เองจิตใจมันแสดงละครตลอดเวลาแล้วมีสติตามดูดูละครไม่ยุ่งกับเขานะ ตัวละครเนี่ยไม่แทรกแซงไม่ใช่ไปนคอยบอกตัวละครว่าเฮ้ยตัวโกรธออกมานานแล้วเข้าโรงได้สักทีอย่างงี้ไม่ต้องบอกนะนี่เราคอยรู้การแสดงละครในใจเหล่านี้รู้ไปเรื่อยๆหัดรู้อย่างนี้เรื่อยๆจิตจำสภาวะได้แม่ น, นแล้วก็หัดรู้จิตที่ไหลไปไหลมานะจิตจะได้ตั้งมั่นขึ้นมาโดยที่ไม่ได้ประคองไม่ได้รักษาสติถ้ายังจงใจให้เกิดเนี่ยยังเป็นสติที่ใช้ไม่ได้ สมาธิที่ประคองเอาไว้ยังเป็นสมาธิที่ใช้ไม่ไดไ้ใจตั้งมั่นขึ้นมาอัตโนมัติขึ้นมาถ้าเรามีสติอัตโนมัติมีสมาธิอัตโนมัตินี่แหละที่ครูบาอาจารย์ชอบเรียกว่ามีมหาสตินะมันจะทำงานอัตโนมัตินะมันจะเห็นกายเห็นใจทำงานไปจะเห็นไตรลักษณ์จะไม่อย่างหนึ่งนะวิปัสนาไม่ใช่การเห็นกายเห็นใจนะวิปัสนาไม่ใช่แค่การรู้กาย ร, รู้ใจ วิปัสนาคือการเห็นว่ากายก็เป็นไตรลักษณ์ใจก็เป็นไตรลักษณ์เห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจถึงจะเรียกว่าวิปัสนาจำตรงนี้ไว้นะตรงนี้สำคัญถ้าแค่เห็นร่างกา ย, ยขยับมือจะหยิบขวดน้ำนะรู้มือตลอดเลยมีสติอยู่ที่มือตลอดเลยไม่รู้สึกอะไรเลยไม่มีปัญญามีสตินะแต่ไม่มีปัญญาใจทื่อๆทื่อๆ ถ, ถ, ถ้ามีปัญญานี่จะเห็นรูป ไหวปั๊บปั๊บปัป๊บรูปแต่เรารูปไม่ใช่เราเลยร่างกายรู้ทั้งตัวนะไม่ใช่รู้แต่มือนะรู้แต่มือจิตถลำไปแล้วรู้สบายสบายมาเห็นร่างกายทั้งตัวนี่แหละที่เคลื่อนไหวเคลื่อนไหวบางส่วนหรือเคลื่อนไหวทั้งตัวก็ได้แต่จะเห็นในตัวที่เคลื่อนไหวอยู่นี่ไม่ใช่เราเหรอกเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่นี่แหละเรื่องว่าการเจริญวิปัสสนาถอดถอนความเห็นผิดว่ามีตัวเราในกายถอดถอนความเห็นผิดว่ามีตัวเราในจิตใจ วิปัสสนาทำหน้าที่ถอดถอนความเห็นผิดเพราะวิปัสสนาคือการเจริญปัญญาปัญญามีหน้าที่ถอดถอนความเห็นผิดซึ่งเป็นตัวโง่ตัวไม่รู้ดังนั้นเราจเจริญสติด้วยจิตที่ตั้งมั่นไปนะก็เกิดปัญญาเห็นไตรลักษณ์เออร่างกายที่เคลื่อนไหวนี่เป็นแค่ก้อนธาตุเองเป็นแค่รูปที่เคลื่อนไหวไม่ใช่เราไม่ใช่คิดเอานะอันนี้นะรู้สึกเอานะความสุขความทุกข์กุศลอกุศลที่เกิดในจิตก็เป็นแค่สภาวธรรมที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปไม่ใช่เราอีกละ ความโกรธไม่ใช่เราความโล่งไม่ใช่เราความสุขไม่ใช่เราความทุกข์ไม่ใช่เราเป็นแค่สภาวะธรรมที่ไหลมาไหลไปนี่จะเห็นอย่างนี้อย่างนี้ถึงจะเป็นมิปัญหาเห็นจิตเองก็เกิดดับนะในจิตเกิดที่ตาแล้วก็ดับเกิดที่หูแล้วก็ดับเกิดที่ใจแล้วก็ดับจิตเองก็เกิดดับนี่แสดงใจรักเหมือนกันแสดงความไม่เที่ยงอยู่ตลอดเวทนาก็เกิดดับนะอะไรอะไรก็เกิดดับตามรู้ตามดูไปเห็นแต่เรื่องเกิดแล้วก็ดับ ก็แสดงความไม่เที่ยงแสดงการทนอยู่ไม่ได้มันจะเกิดหรือมันจะดับก็าบังคับไม่ได้มันก็แสดงอนัตตาให้เห็นการแสดงไตรลักษ์การเห็นไตรลักษ์นี่แหละเรียกว่าการเจริญวิปัสสนาต้องไตรลักษ์ในกายในใจตัวเองนะรู้ไตรลักษ์ข้างนอกไม่มีประโยชน์เท่าไหร่หรอกไม่ค่อยล้างกิเลสหรอกอย่างเราไปเห็นคนอื่นเป็นไตรลักษ์แต่ชั้นเนี่ยเป็นอัตตาอย่างนี้มันก็ไม่ได้เรื่องนะก็ต้องดูเข้ามาที่ตัวเองอย่าให้เกินกายเกินใจของตัวเองออกไป นีไม่ฝึกอยู่อย่างนี้นะเรามากฝนมันจะเกิดไม่ใช่เกิดเพราะว่าไปนั่งหลับหูหลับตาอะไรอยู่หรอกอะเชิญไปทานข้าวนี่มณ์เลยครับนี่มณ์